จองเอาไว้มันก็เสียใจถ้ามีธรรมไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องพูดออกไปถึงเรื่องอื่นเรื่องของชาติของขันจิตพวกเราท่านถือว่าเป็นเราเป็นของของเรานี้ท่านก็พิจเจณาขนะวดถึงทีท่วนจะไม่ให้จหิตติดข้องยึดถือโดยการทิจเจรานาะตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงของมัน มันเป็นอย่างไรจะให้ทราบให้เห็นเป็นอย่างนั้นจิตที่จะไปจิตไป้ล้องในสินัง น, นั้นท่านจะต้องสอบถืบแก้ไขไใหใจจิตใจไปกเกาะเกี่ยวยึดถือยิ่งละออกไปที่เจ้านาแข็มใสเท่าไรใจก็ยิ่งเบายิ่งสบายไปเท่านั้นเหมือนกันกับเราหาบหรือแบกขอ ง, งหนัก หยิบอันนั้นออกยกนนี้ออกมันเบาไปมันก็สบายไปยิ่งไม่มีอะไรโยนทิ้งไปหมดมันก็สบายมากไม่มีอะไรที่ไปทับถมจิตเหมือนกันกับเอาของออกจากบ่าหมดไม่มีอะไรที่มาทับบ่าเราจะไปจะมามันก็สะดวกสบายมันไม่หนักมีการลาถอนกิเลส จา ก, กจิตจากใจกัวทำนองเดียวกันยิ่งยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดมากทลายก็ยิ่งเป็นทุกข์เท่านั้นฉันจึงให้เห็นเป็นธรรมดาของมันเรื่องของถาดของขันแต่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันแตกสลายด้วยเหตุผล ข, ของมันไม่มีใครในปัจจุบันหรืออดีตหรืออนาคตที่จะมาบังคับบัญชาถาดขันอันนี้ ให้มันเป็นไป ต, ตามความต้องการของตัวได้ถึงจะมีวิทยาศาสตร์เก่งกาสามารถขนาดไหนก็แก้ไชไม่ได้เพราะอาริยสัจของจริงที่พระพุทธเจ้ารู้สมัยสองพันกว่าปีแล้วสมัยปัจจุบันนี้มันยังคงเดิมอยู่ไม่ผิดแปกแตกต่างอะไรเรื่องอริย ส, รสัจถิยนาจารเป็นจริงของมันมันก็ถอนออกหน้ ในยึดว่าเราหรอกของของเราแต่ก็พูดไป ต, ตามสมมุติของโลกเพราะเราอยู่ในโลกแต่จิตใจของท่านจริงนั้นท่านเห็นอย่างไรเราอยากทราบอยากเห็นอยากเป็นอยากรู้ก็ต้องปฏิบัติตัวของเราเมื่อเขาถึงอาจทำจริงจงัมันจะมีมอะไรที่จะไปเกี่ยวขันกับใจที่จะไปยึดถือแบกหามเอาไว้ใจของท่านหิละถอนปล่อยวาง อตาหนะ้าตาไปได้ไม่มีอะไรสิจะไปกาะเกี่ยววุ่นวายอีก่านจิงสุขจิงสบายที่เราขู่บอกพื่อปฏิบัติประมุ่งหวังอย่างนั้นก็พิจารณาการขาดขันมันมีี่มันทําให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษก็เพราะเรื่องขาดขันจิตใจของเราท่านไปหลงมันถ้าในหลงเรื่องเหล่านี้มันกลมหนีจากโลกได้ โลกคือกายอันนี้เป็นโลกสําคัญยิ่งกว่าโลกข้างนอกโลกข้างนอกยังพอปล่อยพอวางได้แต่ เ, เราป่วยหนักเข้าห่วงชาดห่วงขันมันจักคันสมบัติเข้าของหามาได้มีคุณค่ามากมายขนาดไหนก็ยอมเสียสละเพื่อธาตุขันจะให้มันมีชีวิตยืนยงคงอยู่นําไปรักษาหาหมดหาหมอมาโยมายาถือว่าธาตุขันมีคุณค่า เมื่อเราหลงธาตุหลงขันมันก็หลงเรื่อยออกไปข้างนอกเมื่อรู้ท้าลูกขันเข้าใจแต่จักชัดเจนเรื่องข้างนอกมันก็ไม่ต้องบอกให้มันปล่อยมันวางมันบางของมันตัเองมีการที่จรณาธาตุขันจริงเป็นเรื่องสาคัญถูกกับสติปัฏฐานที่ตั้งของสติต้องอยู่กับกายของเรากับธาตุกับขันของเรา พีเอ็นอารู้ให้เข้าใจอะไรเป็นเราเป็นของของเราแน่นอนนอกจากสมมุติเท่านั้นแต่ทําไมจึงไปลุ่มหลงกันทั้งทังที่มันบ่งบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นมันแฝงอย่างนี้ทุกคนเคยพี่เจนากจะรู้เพราเราเคยเป็นเด็กมาเดีย๋ยวนี้เราไม่เป็นเด็กอย่างเก่าอยากจะให้มันกลับไปอีกมันจะไปเ ป, เป็นไปได้ไหม จะมียาอะไรที่ทําคนแก่ให้เป็นเด็กมันไม่มีเราไปยึดไปถืออยากจะให้มันเป็นมันก็เป็นทุกข์มันเป็นอย่างไรให้เข้าใจชัดเจนอย่างนั้นนอกจากด้านเรื่องราคาตันหากําหนัดยินดีต่างๆ น, านาั่นนะก็เพราะหลงขาดขันอีกเหมือนกันถ้ารู้เรื่องของขาดขันจริงจังแล้วเรื่องมันจะไปข้องแวดจิตในสิ่งนั้นนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถึงจนมี ขามีขันมีกายอย่างพวกเราแต่จิตใจของท่านในลุ่มหลงไฝ่ฝันในเรื่องเหล่านั้นเพราะท่านทราบดีการพิจรยนะส่วยจะแยกแยะออกจากราชาชันหาทางศาสนาครูอาจารย์ท่านเคยสอนกอเพราแยกแยะขาดอันนี้ออกดูหรือพิจัยนะส่วนต่างๆในกาย ให้เห็นเป็นอนิจจังให้เห็นเป็นทุกขังเ ห, เห็นเป็นอนัตตาหรือเป็นอทุภูพาภูพังแล้วแต่จริตนีสัยแต่เราไขในธรรมที่เจรณาในธรรมให้เข้าใจเรื่องของธรรมก็เหมือนกันกับมีแสงสว่างมืดมันก็ไม่มีที่มันมืดมันบอดเพราะเราไม่ตามไฟตาของเราไม่ดีตาของเราเสียมันจึงมืดจึงบอดหรือไม่มี แสงสว่างในนั้นถ้ามีแสงสว่างไม่ต้องบอกให้มันออกไฟมันก็ออกไฟเรื่องความมืดมีอัดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าผูกประพฤติปฏิบัติกําจัดความมืดบอดของจิตของใจได้หเหมือนกันความกําหนัดยินดีโกรธแค้นต่างๆถึ ง, งเคยมีเมือ่อมีอัดมีทำในใจมันก็แจกคหายไปมันไม่หลงไหลไม่จีดข้อง เมื่อไม่มีโรคมีโกรมีหลงในใจแล้วมันสุขอย่างไรมันสบายอย่างไรคนมีโรคมากเท่าไรคนนั้นก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นโรคโกรธหลงหรือกิเลสกันหามานาัชกุติท่านก็ถือว่าเป็นโรคของใจใครมีมากเท่าไรคนนั้นเกิดทุกข์ถ้าคนใด้ําจัดออกไปไม่มีโรคใครคนนั้นก็สุขก็สบายเหมือนกายไม่มีโรคจะทําการงานอะไรเจ้า่างจะนอนจะยืนจะเดิน ขับถ่ายอะไรสะดวกสบายโกรกมากเท่าไรงอคอก็ไม่ขึ้นยกขาก็ไม่ขึ้นนี่คือโรคมันมากช่างช่างจิตกายอันนี้มันเคยไปเคยมาสะดวกสบายอยู่แต่เมื่อโรคใครเหยียบย่ําทําลายเขามันเป็นอย่างนั้นมันหนักอึ้งไปหมดยกไม่ขึ้นนี่จิตใจของพวกเราทานกว่าทำนองเดียวกันใส่กิเลสกันหามาณทิฐิมากเข้าไปเท่าไร มันจะยิ่งโจมลงไปใหญ่ไม่มีอะไรที่จะฟองใสสงบเย็นมีแต่ทุกข์แต่โทษในควรวกโกโตไม่ควรวบไมคควยินดีกว่ายินดีคือไม่มีอาตนีธรรมในใจจงศึกษาธรรมภายในคือปฏิบัติจิตใจของตัวโดวยอํานาจโดยของสติอำนาจของปัญญาพิจารณาเข้าไปภายในอย่าไปจิตไปตาม เรื่องอารมณ์ชัญญาต่างๆนานาภ า, ายนอกให้ดูภายในมันมีที่เกิดของมันหยิดถึงเป็นนามธรรมละเอียดขนาดไหนไม่สามารถที่จะเอากล่องจุลทัศดูได้เพราะมันละเอียดไม่เคยมีตัวมีตนไม่เคยมีคนธรรมดาเห็นมันแต่ก็พราะทราบว่ามันนึกมันคิดมันปรุงมันแจงได้แต่ไม่เคยเห็นตัวของมัน แต่ท่านผู้มาเพื่อปฏิบัติธรรมจริงจังนั้นจิตเป็นนามธรรมละเอียดแต่ปัญญากอเป็นนามธรรมเหมือนกันสามารถที่จะเห็นที่มันเกิดที่มันดับเมื่ออย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ของละเอียดเพาไปถึงของละเอียดมันแกไขกันได้มันตัดเตือนกันได้มันแยสอนกันได้นี่เราทุกคน ความหยาบมีอยู่ที่ใดความละเอียดไม่ควรจะมีอยู่ที่นั้นเนี่ย่อยทําไปฝึกไปปฏิบัติไปเพื่ให้เห็นให้เป็นในจิตในใจถึงศาสนาคนทั่วโลกจะไม่เลื่อมใสเมื่อเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเราเราก็เคารพเราก็เลื่อมใสเราก็เต็มใจต่อพิปฏิบัติฝากคนจะเห่าจะหวันทั่วโลกก็ช่างเขาว่าเราเป็นคน จิตไม่มีสติปัญญาต่อเพื่อไปสูงสี่สูงห้าเขาจะว่าอะไรเขาว่าไปแต่จิตใจของเราเราทราบว่ามันเป็นอย่างไรงเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเรานี่การประพฤติปฏิบัติเข้าถึงอัดทำจริงจังท่านจึงไม่มีการหวั่นไหวเ อ, เอียงไปตามเรื่องของโลกของลมปากของคนงเขาจะสันได้เสริมท่านก็ไม่หวั่นไหวในตึนเส้นเขาจะยืดห่าท่านก็เฉย เพราะท่านทราในเรื่องของท่านมีเครื่องประกันอยู่ในนั้นคืออาจทําความเห็นความเป็นในจิตในใจรักแน่นอย่างนั้นไม่มีการหวั่นไหวไปตามลมปากของคนอื่นท่านจึงสุขท่านจึงสาบายมีพวกเราทั้งหลายในแบบนั้นมันเบาเอาเล็กเกินใจนุ่นว่ามันเบามันจะไม่เบาถ่ยใจของคนลมปากมันได้ยินยังนิดหน่อยแถานั้น พัด ก, กายก็ไม่หวั่นไหวอะไรแต่ใ จ, ใจมันหวั่นไหวง่ายพอเขาฉันลาเสรินกับตาโตขึ้นว่าเรามีเราวิเศษเพราะเขายินทาตน่ะเหี่ยวหน้าให้เห็นเขาไปแต่ขเขดูหมิ่นยินทาเรานี่คือใจที่หวั่นไหวใจที่เบาถ้าใจหนักแน่นในเช่นอย่างนั้นจะต้องคํานึงถึงเหตุผลดูใจของตนเป็นหลักสําคัญเพราฉันลาเสรินให้ว่าดีถ้าเราไม่มี ความดีอะไรก็อย่าไปตื่นเต้นมันถ้าเช็นไป ต, ตามลมปากของความชั้นในเสื่อมคนแล้วไม่ต้องไปพูดปฏิบัติอะไรท่านนี่เป็นผู้ดีพิเศษแล้วนะเป็นอรหันต์อรหันต์แล้วนะน แ, ลว แ, ลวนะแล้วก็เชื่อลมปากของเขาท่านสิกิเลสกัดกินใจของเราอยู่ตลอดเลลวลาแบบนั้นมันเสียมันบ้ายอ่อไม่ใช่คนมีเหตุมีผลเขายินทากว่าทำนองเดียวกัน ถ้าเราไม่มีอะไรเสียหายก็ว้นปากของเขาปากคนก็มีผิดแปลกแตกต่างอะไรกับปากหมาท่ามันก็เห่าโจนมามันก็เห่ามีตากคนทั่วไปก็ทํานองเดียวกันแต่เขาชอบถึงจะชื่อจะเสียขนาดไหนเท่ากับสัญลักษณ์ถ้าเขาไม่ชอบถึงจะดีวิเศษขนาดไหนอย่างว่าผูดด้ใจเจ้าก็ยังมีคนนินทา่าเราต้องหาเหตุหาผลซ้อนใจพร้องสนเกี่ยบความหนักแน่นดูภายใน วามันเป็นอย่างไรอย่าไปดูภายนอกอย่าไปเชื่อลงปากท้องคนเชื่อจิตเชื่อใจท้องตนมีเหตุผลกว่ามีการประพฤติปฏิบัติทำเมื่อเห็นเมื่อเป็นในจิตในใจแล้วมันสุกมันสบายในวุ่นวายกับอารมณ์สัญญากับกิเลสตัณหาไม่มีอะไรที่จะแต่เิฐวิเศษเท่ากับเรื่อ ง, องท้องใจสีลากิเลสตัณหาฉะนั้นพวกเราท่าน คืมุ่งมั่นมาปฏิบัติปฏิบัติไม่ว่าจะเต็มสายบรรพิตหรือค ห, อหัิฮัตเราก็มีสิที่จะปฏิบัติอาจทําได้เพราะเรามีอยู่อย่างสิทธิจะละมีอยู่ที่อย่างที่เราจะบําเพ็ญไม่ใช่ไมมีถ้าไม่มีเราก็ไม่มาเกิดอีกเ้ามาเกิดอีกนี้สแสดงว่ามีด้วยกันทุกคนเพราะความจิตข้องในพบในชาติ ในกิเลสจันหามันจึงวอกวนมาเกิดอีกถ้ามันหมดเชื่อของมันมันมันเดี๋ยมาเกิดอีกพระอาหารหันต์อาหารหันต์ท่านนิพพานไม่มีภพนิชชาของจิตของใจอย่างนั้นท่านจะไม่งวกวนมาเกิดอีกหรืเรามีทุกคนเหมือนเรามีทุกคนก่อผู่สิทันมีนั่นแหละต่อพุทธปฏิบัติจำระสิ่งที่ชั่วนสีเสีย ให้หมดออกไปอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกตน้นๆในใจท่านเป็นอรหันต์มาจากแก้วันเกิดท่านก็มีกิเลสตัณหามาลทิชชี่เหมือนพวกเราแต่ท่านก็พยายามที่นี้พิจารณาขับไล่สิ่งที่ขวดเสียออกไปจากใจจนใจบริสุทธิ์เข้าใจรู้เห็นชัดเจนในตัวในส่อไปหาใบประกาศนี้ บ, บัตรที่ไหนมาติดให้พอมันเห็นในจิตในใจ แต่ก่อนเราเคยจิตข้องในสินต่างๆอย่างไรพอเรามาไปพิัติอาธรรมในทางศาสนาดูเห็นเจนขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันยังจิตอยู่ในส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็พยายามละไปถอนไปที่ไหนไปจนจิตใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่มีสมมติอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวแสงจิตใจที่บริสุทธินั้น เมื่อมันถึงจิตขั้นที่บริสุทธิ์จริงจังเราต้องทราบว่าจิตของตัวเป็นรีมุดเมือ่อจิตเป็นรีมุดยามความทราบความอย่างรู้ว่าจิตเป็นรีมุดมันก็เกิดขึ้นเมื่อ เ, เกิดขึ้นแล้วเราก็เข้าใจในตัวของเราจะได้ประกาศให้ใครฟังเขาที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นอย่างนี้ใครแล้วเขาจะทราบได้ทราบไม่ได้นอกจากคนเห็นคนเป็นเท่านั้นจะทราบ จะเข้าใจถึงจะเรียนมากๆขนาดไหนก็เธอไม่มีทางที่จะทราบเพราะรามันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ในตัวของตัวยัง จ, จะจำมาคาดเอาเดาเอามันไม่เข้าถึงความจริงของมันดังนั้นพูดจีนมาเขียนตำรับตาราโดยส่วนใหญ่สมัยแต่ปัจจุบันไม่่อยมีผู้จีนนำธรรมะ เกิดขึ้นจากการละการบาเพ็ญของตนมาเขียนโดอเขียนเอาโดยการศึกษามาจากาำรับตำรานึกเอาเดาเอาผู้รู้ท่านอ่านท่านทราบ ม, ามันเกิดขึ้นมาจากกิตจากใจหรือไม่มันเป็นตลอดอันหนึ่งสึ่งบัดใรวบาพูดออกมาจากวาจาเลยเขียนเป็นตำลับตรามาเพราะทราบได้อยากทราบเรื่องทศพระแน่นอนในกิตในใจ ก็ต้องปฏิบัติแก้ไขกิเลสของตัวถ้าแก้ไขได้ล็ทราบอย่างพระพระนั่นไม่ใช่หนุ่งเรื่องเหลือ ง, องหมเรื่องเห ล, ลืองอย่างนี้พระที่พระพุทธเจ้าจถือว่าสาวากาศสังโฆควาหมายถึงพระสี่องค์คือโสดาสกิธาชานาคาลังหันถ้าเหล่านั้นไม่ต้องบวชในโบสก็ได้ แต่บวชในบวชภายในศึกบวชจิตบวชใจทองตัวประพฤติปฏิบัติล้าชั่วจิ่เคยติดคลองเศ้ามองยึดถือต่างๆศกไปภาบจากการเป็นการเห็นการกระทำบาเพ็ญของตัวนี่คือพระที่เกิดขึ้นจากภายในถ้าแบบนี้เป็นท่าที่บวชแล้วในศึกมีจุดหมาย ปายทางที่จะไปสู่ความดับทุกได้อย่างสนิทใจแต่พระธรรมดาสมมติสงนี้ไม่เป็นอย่างนั้นบวชมาแล้วก็ยังเห้หันหลุ่มหลงในเรื่องของกิเลสตัญหาอยู่เป็นพระยในกี่วันกี่เวลาบางทีก็สึก อ, ออกไปเป็นคาร่ะเหมือนเขาเล่นละครเดี๋ยวแต่งชุดนั้นออกมาเดี๋ยวแต่งชุดนี้ออกมาการเกิดการ ต, ตายของพวกเราทั้งหลายก็าทานองนั้น เดีวกวเป็นสัตว์เดียวก็เ ป, เ, วกเป็นมนุษย์เดียวก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาตามอำนาจกรรมสี่สั่งมาทำมานี่คือกิเลสปัญหายังมีอยู่พบชาติไม่ต้องสงสัยว่ามันจะหมดไปถ้กิเลสปัญหาหมดจากใจจะไปถามใครว่าฉันหมดพบหมดชาติหรือไม่มันไม่มีเรื่องจะสงสัยดันั้นการเป็นอยู่แท่งท่านจึงหมดปัญหาหมดคุณค่าอยู่ไปแตไม่มีอะไรที่จะละจะบําเพ็ญ ตายไป ต, ตัวไม่มีอะไรที่จะเสียหายนี่หมายถึงผู้ที่บริสุทธิ์ถ้ามีการดีใจเสียใจในการตายดิการอยู่ถ่าจริงเป็นสุขเพราะความเสียใจดีใจนี่แหละทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษในใจเรื่องอืน่นเรื่องของไฟนอกไฟใหม่บ้านบ้านนันใหม่เสียใจนะไฟมันใหม่ก็เป็นหน้าที่ของมันมันใหม่มันเผาไป จริงใดที่มีเชื่อไฟมันก็ไหม้ไฟแต่มันไหม้ใจพวงเราอย่างมันสําคัญไฟอะไรลรอไหม้ใจพองเรามันไหม้มันเผาไหม้บ้านนอกมันไหม้เผาไปแล้วก็ยังสร้างใหม่ได้บ้านในคือใจพวงเรานี้ยแต่มันไหม้มันเผาหรอลําบากลําคาญนี่บ้านใหม่ใหญ่โป็นขนาดไหนมันจะไม่สุขไม่สบายให้ใสราคคินาโทสักคินาโมหคินาทีพระพุทธเจ้าสาวเอาไว้มันไหม้มันเผา ถ้าเราไม่กำจัดปัดเ่ามันออกไฟการผมพือปฏิบัติก็คือการดับไฟภายในท้องตัวถ้าไฟกองนี้มันดับไปได้มันถุกมันสบายมันเยือกมันเย็นมันดีมันเด่นไม่มีอะไรที่จะประเสริฐพิเศษกว่าแต่นั้นเราทุกคนเมื่อมาถึงสถ า, านที่สงบสงัด พอที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่าปล่อยการเวลาให้เป็นหมันอุตส่าห์พยายามทำบังคับละงับจิตของตัวจิตดวงคิดจิตของต่างๆให้ถือว่าเรามาภาวนามาละกิเลสไม่ใจมาเล่นมาเพลินมาปรุงมาคิดอย่างภายนอกดูภายในสรกจัดภายในสิ่งที่มันชั่วมันเสีย ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งเกิดทุกข์เกิกเกดโทษเท่านั้นกำจัดมันออกไปขับไล่มันออกไปไม่มีใครที่จะมาช่วยเรานอกจากเราจะทําเอาเชื่อกิเลสก็แคเชื่อมาเราไม่ถือว่ากิเลสเป็นศาสดาสอนใจของเราเราถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพกล่าวไว้เป็นศาสดาแล้วทําไมเราจึงไปหลงเผด็เพลิพนติดห่องกับกิเลสสัรหาสัญญาอารมณ์อย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นตรงขึ้น รีบมีปัญญาพิจายนะแก้ไขนี่คือการทั้งบอลระวังใจการต่อพื่อปฏิบัติในทางศาสนาแต่เรามีสติปัญญารักษาใจของเราเท่านั้น <c oughs> ทํแ8ดหมื่นี่พันไม่ต้องไปดูที่อื่นดูนี่แหละเขียนนี้รู้นี้ไม่มีอะไรที่จะสงสัยถึงอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นก็าตามถ้านไม่มีทางสงสัย สมมติอย่างเขาไม่ถูกกว่าตามแต่ความเป็นความเห็นความบริสุทธิ์ความจริงของใจเป็นอย่างไรนั้นท่านหน่ยนี้การสงัยภายในของท่านยกตัวอย่างผูกพืชปฏิบัติที่ไม่เคยศึกษาตำรับตำลาไม่เคยอ่านไม่เคยเขียนอะไรอย่างลุงบุบวัววัดน้องแสอ่านไม่เป้นเขียนไม่เต้น เชียงใจยะาสัทีก็ยังไม่ถูกเพราะฉันเน่ยเคยศึกษานี่จะ ต, ตั้งหน้าภาวนาสำระใจของตัวแต่ถึงกับ น, นั้นคนที่สนใจในทางศาสนามีธรรมะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไปศึกษากับท่านเห็นท่านท่อ้องไหมทันแก้ไขท่านพูดถูกทุกอย่างนี่หมายถึงกา ร, รเพื่อปฏิบัติการเรียนภายในการเห็นภายในการเข้าใจในตัวของตัว มันพอที่จะบอกได้สอนได้เพราะเขาถี่เห็นที่เป็นนั้นมันเหมือนกันกับเราในนี้อะไรผิดแปกแตกต่างกันระยะทางที่เราเดินผ่านไปมีอะไรต่ออะไรเราทราบเพราะเดินมาตามหลังเขามาพูดเขาอยู่ในจุดไหนเราก็ทราบเพาเราผ่านไปก่อนแล้วมีผู้บุกเพื่อปฏิบัติภายในกับทานองเดียวกันไม่มีอะไรบ้านี่แต่การดําเนินคุณ ใจเท่านั้นเป็นอย่างไรมาพูดขึ้นท่านก็บว่าทราบหากมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจจริงจังหากเอาตำหรับตำรามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่เห็นสนเพราะตำหรับตำลาไม่ใส่กิเลสตัณหาใน่ใส่มักผลนิพทางคือจิตใจของพว ก, กพตัวเพือปฏิบัติเท่านั้นจะเห็นจะเป็นศีลก็อยู่ในตัวของบุคคลสมาธิก็อยู่ในตัวของบุคคลปัญญาลิมุตมันก็อยู่ในตัวของบุคคล ไม่ได้อยู่นะตามตู่ตามคา ท, ทีตามต ำ, ตำลับตาราอะไรนั่นมันตาราของมันไม่ใช่ตัวจริงของมันตัวจริงของมันจึงมีทางที่จะไปะพฤติปฏิบัติได้ถึงอ่านไม่ออกเขียนไม่เจนก็าตามมีทางที่จะแต่ทาบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ในตัวของตัวดังนั้นเราทุกคนก็มีตู่พระใจพี่โดดอยู่แล้วกายบายใจใจใจพี่โดดศึกษาในนี้พิจารณาในนี้ดูในนี้ เมื่อเห็นในนี้เข้าใจในนี้ดีชั่วมันก็อยู่ในนี้ศึกษามันไปที่ใรงานมันไปจนเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรที่จะศึกษาต่อไปมันก็ทราบเพราะทาเป็นสันพิติตรู้เองเป็นปัจจตังเฉพาะตัวนี่คือการประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นต้องเย็นต้องสงบพาหะไปในทางธรรม ถ้าไปในทางโลกรู้เท่าไรก็หลงไปเท่านั้นคิดีไหมนะยิ่งใหญ่ยิ่งโตไปใครดูหมิ่นนินทาไม่ได้เพราะรู้โลกรู้กิเลสตัณหารู้สะรู้สมไม่ใ่รู้ละรู้วางรู้ปล่อยรู้ทางประพฤติปฏิบัติรู้ปล่อยรู้วางรู้ละรู้ถอนรู้ผิดทัานดันั้นเราทุกท่านอยากจะเห็นอยากจะเป็น อยากจะเย็นอยากจะสงบต้องไปเพื่อปฏิบัติภายในคือทีนี้พี่เจนะกายใจท้องตัวสิ่งจิตพระพุทธเจ้าหักห้ามเอาไว้ก็อย่าถืนไปทำพอทำแล้วได้รับทุกโทษทำแล้วจิตไม่เย็นไม่สงบให้สิ่งใดที่ท่านแนะนถึงจิตไม่ชอบก็พยายามทำตามวันใดวันหนึ่งข้างหน้า เราจะเห็นตามพระพุทธเจ้าเพราะความเยสอบเย็นสงบสุกมันเกิดขึ้นจากการเราพิสูปฏิบัติของตนเพรเชื่อคําสอนของพ ร, ระพุทธเจ้าอย่างจริงจังในจิตในใจแต่เราเชื่อเรื่องของกิเลสตัณหาก็ไม่มีวันเวลาที่จะประสบเพราะเห็นความสงบเย็นอย่างนี้เราจะประทับใจในการเราพิสูปฏิบัติของเราฉะนั้นขอทุกท่านจงแต่ทําบําเพ็ญ ให้เห็นให้รู้วราธรรมะมีอยู่ในตัวของพวกเราอย่าไปหาที่อื่นดูที่อื่นดูสิมันมีอยู่ฝุกนรดทุกเดี๋ยวนี้มันอยู่ในขอบเขตของธรรมย่นใยหรือมันเกินไปเืิเหลืองท้องโลกสิ่งที่สงสัยได้ตกออกไปจากใจหรือยังสงสัยอะไรที่มันยังสงสัยอยู่ พิ่เจนาดูให้เห็นให้พอใจชัดเจนมันจะวางมันเองนี่คือการชนิดพิ่เจนาการศึกษาการปฏิบัติเมื่อทุกคนได้ระดับรับฟังโอวัลเสียอธิบายมาจงนาําไปชนิดพิ่เจนาละถอนยังชั่วบําเพ็ญสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนีสอนให้ต่างคนไปต่างมีความสุขทางกายทางใจการอธิบายธรรมะเห็นมาพอสมควรจะเวลาก็ออยิึดถึงชนี้เอวัง